ตลอดผ่อ์ท่านผู้มีจิสตสตามีความเรื่มใสในพระพุทธศาสนาทุกท่ททานวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ห้ามิถุนายนพุทธศักราชส5งพันห้าร้อยห้าสเก้าเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศล ที่จะเป็นเหตงเป็นปัจจัยให้ชีวิตคือจิตใจมีความสุขมีความเจริญมีความร่มเย็นมีความคข่างลาปลอดภัยจากภัยอันตรายทัย้งหลายทั้งปวงเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการกระทำของเราเองถ้าเราทำ ดีผลดีก็จะตามมาถ้าเราทำไม่ดีผลไม่ดีก็จะตามมาเราจึงควรที่จะทำดีอยู่เรื่อยๆให้เราคิดดีพูดดีทำดีแล้วผลคือความสุขความสบายใจความเจริญความปราศจากความทุกข์ ามุ่นวายใจต่างๆก็จะตามมาความสุขความทุกข์ความเจริญความเสื่อมของชีวิตเราอยู่ที่ตัวเราไม่ไดีอยู่ที่ใครอยู่ที่กฎแห่งกรรมกรรมก็คือการกระทมของเราทางกายทางวาจาและทางใจการกระทาทางกายเรียกว่ากายกรรม การกระ ท, ำทำําทางวาจาเรียกว่าวัจิกรรมการกระทําทางใจเรียกว่ามาโนกรรมเ <c oughs> มื่อมีการกระทําแล้วก็จะมีผลตามมาถ้าเป็นการกระทําดีก็จะมีความสุขความเจริญถ้าการกระทําไม่ดีก็จะมีแต่ความทุกข์ความเสื่อมเสียตามมา ทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราตายไปแล้วเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นดินน้ํหลุดไฟเป็นคนรับใช้เราเราใช้ร่างกายทำอะไรต่างๆแต่คนที่รับผลของการกระทําของร่างกายก็คือเราคือใจผู้สั่ ผู้คิดให้ร่างกายทำอะไรต่างๆพอทำแล้วใจก็เกิดผลทันทีอย่างวันนี้ญาติโยมสั่งให้ร่างกายนำกับข้าวกับปลาอาหารข่าวหวานต่างๆมาทำบุญพอได้ทำแล้วใจก็มีความสุขมีความปิติมีความอิ่มมีความพอนี่คือผล ที่เราคือใจเป็นผู้รับเราอยู่ที่ใจเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายนี้เราใช้เป็นผู้รับใช้เราเอีกทีนึง <c oughs> เวลาที่ร่างกายตายไป <c oughs> เราจะไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไปกับใจใจก็จะไปตามอำนาจของความดีและความไม่ดี ที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ความดีมันจะสะสมไปเหมือนกับเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารการจะทำไม่ดีมันก็จะสะสมไว้เหมือนกับหนี้ที่เราไปกู้จากธนาคารพอเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความดีกับความไม่ดีก็จะมาแย่งมาดึงใจของเรา ให้ไปทางใดทางหนึ่งข้าใจเรามีความดีมีความดีมากกว่ามีความไม่ดีความดีก็จะดึงเราไปสู่ความสุขความเจริญคือไปสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าความไม่ดีคือการทำบาปมีกำลังมากกว่าการกระทำความดีบาปก็จะดึงใจ ้เราไปสู่ที่เราไม่ปรารถนาจะไปกันเช่นไปได้ร่างกายของเดราาัจฉานไปอยู่ในสถานที่มีแต่ความร้อนไม่มีความสดมีแต่ความทุกข์ที่เราเรียกว่านารกใจของเรานี่แหละที่จะเป็นสวรรค์หรือเป็นนรกนรกไม่ได้ไม่ได้เป็นสถานที่ สวรรค์ไม่ได้เป็นสถานที่แต่เป็นสถานภาพของจิตใจของพวกเราเวลาจิตใจของพวกเรามีความสุขมีความเย็นมีความสบายเราก็เรียกว่าสวรรค์เวลาจิตใจของพวกเรามีความร้อนมีความทุกข์มีความเครียดเราก็เรียกว่านราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราสามารถเลือก ในโลกเลือกสวรรค์ได้อย่างวันนี้เราเลือกสวรรค์กันเรามาทําบุญกันใจของเราก็เย็นสบายมีความสุขความสุขความสบายใจก็คือสวรรค์ของเรานี่แต่วันไหนถ้าเราไปทําบาปไปฆ่าผู้อื่นหรือไปมีเรื่องเวลากับผู้อื่นใจของเราก็จะร้อนขึ้นมาวันนั้นใจของเรา ก็จะเป็นนรกขึ้นมาแต่ขณะที่เราเป็นมนุษย์นี้ใจของเราสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เพราะเรายังสามารถสั่งใจให้เปลี่ยนทิศทางได้เช่นถ้าเรามีความทุกข์ร้อนใจเราเข้าวัดเราไปทำบุญเราไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบใจของเราก็เย็ยนมีความสุขขึ้นมา แต่ถ้าวันไหนเราเผลอเราไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้ไปแก่งแย่งชิงดีกันไปทะเลาะวิวาทกันไปทำร้ายร่างกายของกันและกันก็จะทำให้ใจของเราร้อนขึ้นมาใหม่นี่คือใจของเราในขณะที่มีชีวิตอยู่มันจะสลับไปสลับมาระหว่างความร้อนกับความเย็น ระว่างความสุขกับความทุกข์แล้วความร้อนกับความเย็นที่เราสร้างกันขึ้นมานีก็จะสะสมไว้อยู่ในใจแล้วพอเวลาที่ร่างกายตายไปความร้อนกับความเย็นความสุขกับความทุกข์ก็จะมาดึงละใจของเราให้ไปเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าความร้อนความทุกข์มีกำลังมากกว่า ใจของเราก็จะเป็นนรกเป็นอบายถ้าความเย็นความสุขมีมากกว่าใจของเราก็จะเป็นสวนเหมือนห้องที่เราอยู่อาศัยถ้าเรามีเครื่องปรับอากาศเราก็จะสามารถทำให้ห้องที่กำลังร้นอนหยีเย็นลงไปได้พอห้องเย็นเราก็มีความสุขมีความสบาย กเหมือนกับได้อยู่ในสวรรค์แต่ถ้าวันไหนเครื่องทเครื่องปรับอากาศเสียหรือไฟดับนะไม่สามารถทำห้องให้เราเย็นได้วันนั้นห้องก็จะร้อนขึ้นมาห้องก็จะเป็นเหมือนนรกขึ้นมานี่คือลักษณะของใจของพวกเราที่เป็นเหมือนห้องที่มีเครื่องปรับอากาศมีทั้งเครื่องปรับอากาศความเย็น กับเครื่องปรับอากาศความร้อนอยู่ที่เราว่าเราจะเลือกใช้เครื่องปรับอากาศอันไหนถ้าเราเลือกใช้เครื่องปรับอากาศความเย็นห้องก็จะเย็นไปเรื่อยถ้าเราใช้เครื่องปรับอากาศความร้อนห้องก็จะร้อนใจของเราถ้าทำความดีอยู่เรื่อยใจของเราก็จะเย็นถ้าใจของเราทำไม่ดี ใจของเราก็จะร้อนพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราทำดีคือทำบุญกันแล้วก็ให้เราละบาปอย่าทำสิ่งที่ไม่ดี mm hmm. เพื่อที่เราจะได้ไม่สร้างความรุ่มร้อนให้แก่จิตใจของพวกเราเราทำความดีก็จะสร้างความสุขความสบายความอิ่มความพอ mm hmm. ทำให้เรารอยู่เฉยๆได้ ไม่ต้องไปดิ้นรนหาอะไรต่างๆมาให้ความสุขกับเราเพราะถ้าเราไปหาสิ่งต่างๆเราก็อาจจะต้องไปทำสิ่งที่ไม่ดีเ mm hmm. ช่นคนที่ทำมาหากินอยากรวยเร็วๆอยากรวยง่ายๆบางทีเขาก็ต้องชอบโกโกหกหลอกลวงถึงจะทำให้เขาได้ร่ำได้รวย นั่นก็เป็นเพราะว่าใจของเขาไม่มีความสุขไม่มีความสบายใจเขาไม่ได้ทำความดีเขาจึงต้องออกไปหาความสุขจากสิ่งภายนอกไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆการหาสิ่งต่างๆก็จะทำให้เราหาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องได้เพราะใจเราร้อนใจเราอยากได้ผลเร็วๆ อยากได้สิ่งที่เราอยากได้เร็วๆพอเราไม่มีความสามารถที่จะหาได้โดยวิธีที่ถูกต้องเราก็จะไปทำไปหาโดยวิธีไม่ถูกต้องเราก็จะสร้างความทุกข์ความรุ่มร้อนใจให้กับเราแทนที่จะสร้างความร่มเย็นให้กับเราความสุขความทุกขของเรานี้มันอยู่ในใจของเรา มันไม่ได้อยู่ที่สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ต่อให้เรามีมากน้อยเพียงลอยก็ตามแต่ถ้าใจเราไม่ดีใจของเราก็จะร้อนต่อให้เราไม่มีอะไรแต่ถ้าใจของเราดีใจของเราก็จะเย็นจะสงบ ม, มีความสุขดังนั้นกอให้เรามาให้ความสำคัญกับการกระทาําทางกายทางวาจาของเรา ดีกว่าการที่จะไปหาสิ่งของต่างๆหาเงินทั้ต่างๆมาให้กับเราเพราะมันจะไม่ได้ทำให้ใจของเราเย็นหรือมีความสุขแต่อย่างใดมันก็จะมีความสุขเพียงเดี๋ยวเดียวพอได้อะไรมาก็ดีใจแล้วเดี๋ยวก็อยากมีคอยากได้สิ่งอื่นใหม่ความดีใจนั่นก็หายไปความรื่มร้อนใจ ก็จะเกิดกลับขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเรามาทำบุญตามที่พระเจ้าทรงสอนให้ทำเรามาละบากไม่ทำการกระทำที่ทำให้เกิดความรุ่มร้อนใจขึ้นมาเราก็อยู่เฉยๆได้เราไม่ต้องมีเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านไม่ต้องมีวัตถุข้าวของอะไรต่างๆเพราะเงินทองมีมากน้อยเพียงไร ก็ไม่สามารถที่จะทำให้ใจของเราเย็นทำให้ใจของเราสบายได้มีแต่การทำความดีการทำทานการช่วยเหลือผู้อื่นการสนับสนุนให้ความสุขแก่ผู้อื่นคือให้มีความเมตตาต่อผู้อื่นใจของเราก็จะมีความเย็นมีความสบายดังนั้นแทนที่เราจะไป หาสิ่งต่างๆภายนอกเราควรที่จะมาทําความดีกันดีกว่าถ้าเราไม่มีเงินทองที่จะไปทําบุญทําทานเราก็มีวิธีอื่นที่จะทําความดีได้เช่นเราใช้ความรู้ความสามารถของเราไปสอนคนอื่นให้วิชาความรู้แก่ผู้อื่นเราก็จะได้ความสุขเหมือนกับเรา ซื้อข้าวซื้อของให้ผู้อื่นเป็นการให้ทานเหมือนกันเพียงแต่สิ่งที่เราให้มันต่างกันเราไม่มีเงินทองแต่เรามีความรู้เราเป็นมีความรู้เราก็ไปสอนความรู้นี้ให้แก่ผู้อื่นโดยที่เราไม่คิดเงินคิดทองเราก็จะได้ความสุขเหมือนกับที่เราเอาเงินทองไปให้ผู้ ถ้าเราไม่มีความรู้เราก็สามารถให้อย่างอื่นได้เรามีร่างกายเรามีเวลาว่างเราก็ไปเป็นอาสาสมัครไปทำงานทำประโยชน์ให้แก่สังคมโดยที่เราไม่เรียกร้องข้อตอบแทนเราต้องการทำเพื่อสร้างความสุขใจให้กับเราอันนี้จะเป็นความสุขมากกว่าความสุขที่ได้เงินทองมา เป็นร้อยล้านพันล้านเพราะเงินทองร้อยล้านพันล้านนี้จะไม่ได้ความสุขอย่างที่เราได้จากการที่เราเสียสละเวลาของเราเสียสละแรงกายของเราทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นเวลาไ ด, ได้เงินมาแทนที่ใจจะสบายกลับวุ่นวายเพราะจะต้องกังวลกับเงินทองที่ได้มา ว่าจะดูแลรักษาอย่างไรจะใช้อย่างไรจะเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนเพราะถ้ามีคนรู้ว่าเรามีเงินทองเขาก็จะคอยจ้องหาโอกาสที่จะฉกเงินจากเราไปหรือจะมาหามาอ้างเหตุผลนั้นเหตุผลนี้เพื่อมาของเงินทองจากเราแทนที่เราจะมีความสุขเรากลับต้องมาคอย กังวลกับเรื่องการดูแลรักษาเงินทองพระพุทธเจ้าจึงไม่สอนให้เราล่ําให้รวยกันแต่สอนให้เราทําความดีกันเพราะการทําความดีจะทําให้ใจของเรามีความสุขการล่ํารวยนี้ไม่ได้ทําให้ใจของเรามีความสุขกลับจะทาให้ใจของเราวุ่นวายไม่สบายใจเพราะจะต้องคอยดูแลรักษาเงินทอง ล้าจะต้องคอยกังวลว่าจะมีใครมาเอาเงินของเราไปหรือเปล่า <c oughs> นี่คือความจริงความสุขความทุกข์ของใจเหล่านี้ <c oughs> อยู่ที่การกระทำทางใจถ้าเราคิดดีใจของเราก็จะมีความสุขถ้าเราคิดไม่ดีใจของเราก็จะมีความทุกข์แล้วเวลาที่เรามีความทุกข์นี้ต่อให้เรามีเงินทองมีข้าวของ มีอะไรต่างๆมากน้อยเพียงไรมันก็จะไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจของเราได้ความทุกข์ใจของเราเกิดจากความคิดไม่ดีของเราเช่นเวลาเราโกรธใครใจของเราจะร้อนขึ้นมาทันทีแล้วก็มีเงินทอง ม, มากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะดับความโกรธได้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหน ก็ไม่สามารถดับความโกรธได้จะดับความโกรธได้ก็ต้องใช้การควบคุมใจของเราการทําการฝึกควบคุมใจของเรานี้ก็เป็นวิเอกวิธีหนึ่งสําหรับการสร้างความดีสร้างความสุขให้กับใจถ้าเรารู้จักควบคุมใจของเราเราจะสามารถรักษาใจของเราให้คิดดีพูดดีทําดี ไม่ไปคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายใครพอเราไม่คิดร้ายพูดร้ายทำร้ายใครใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจต่างๆเหตุที่พวกเราทุกวันนี้ยังมีความทุกข์ความวุ่นวายใจกันอยู่ก็เพราะว่าเรายังไม่สามารถควบคุมใจของเราได้นั่นเองเรายังไม่สามารถควบคุมความโลภความอยากความโกรธความหลง ที่มีอยู่ในใจของพวกเราได้เราจึงถูกความโลภความโกรธนี้สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆขึ้นมาดังนั้นถ้าเราต้องการความสงบความเย็นความสบายเราต้องมาสร้างเครื่องไม้เครื่องมือที่จะสามารถควบคุมใจของเราให้อยู่ในความสงบให้อยู่ในความดี สิ่งที่จะควบคุมใจให้ใจของเราไม่ไปคิดร้ายไปพูดร้ายไปทำร้ายก็คือเราต้องมีสติสร้างสติขึ้นมาสตินี้เป็นเบรกของใจเป็นเหมือนกับเบรกของรถยนต์รถยนต์ถ้าไม่มีเบรกก็จะเป็นรถที่อันตรายเพราะถ้าขับไปแล้วถึงเวลาจะต้องหยุด ก็จะไม่สามารถหยุดได้ถ้าไม่มีเบรกฉันใดใจของพวกเราถ้าไม่มีเบรกเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาเราก็จะหยุดไม่ได้เวลาคิดจะทำร้ายผู้อื่นเราก็จะหยุดไม่ได้เวลาที่จะไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเราก็จะหยุดมันไม่ได้ แล้วพอเราไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นเขาก็จะกลับมาสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่เราเราก็จะวุ่นวายกับการที่จะถูกผู้อื่นเขามาทําร้ายาหลังวุ่นวายกับการไปทําร้ายผู้อื่นเป็นเพราะว่าเราไม่มีเบรกที่จะหยุดความคิดที่ไม่ดีต่างๆของเรา ความคิดที่อยากจะไปทำร้ายผู้อื่นความคิดที่อยากจะไปเอาข้าวของผู้อื่นโดยที่เขาไม่ได้อนุญาตอันนี้ถ้าเรามาติดเบรกให้กับใจใจของเราเวลาที่จะคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็จะหยุดมันได้พอเราหยุดใจได้ใจของเราก็จะไม่ไปสร้างเรื่องราวต่างๆ ที่จะทำให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจให้แก่เรานี่ก็คือวิธีสร้างความดีอีกวิธีหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องมีเงินมีทองการสร้างความดีแบบนี้ดีกว่ามีเงินทองร้อยล้านพันล้านเพราะเงินทองร้อยล้านพันล้านไม่สามารถหยุดความโกรธของเราได้ไม่สามารถหยุดการกระทำที่ไม่ดีของเราได้ แต่ถ้าเรามีเบรกคือมีสติเราจะสามารถหยุดการกระทงที่ไม่ดีที่เป็นพิษเป็นภัยกับเราได้เราจึงควรที่จะให้ความสำคัญต่อการมาติดเบรกให้กับใจของเราดีกว่าให้ความสำคัญต่อการหาเงินทองร้อยล้านพันล้านมาเงินทองเราก็ต้องหาบ้างเพราะเราต้องใช้ ในการเลี้ยงดูร่างกายแต่เราควรที่จะหาพอพอเท่าที่เราจำเป็นจะต้องมีถ้าเรามีเงินพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมีบ้านอยู่มีเสื้อผ้าใสมียารักษาโรคเราก็ควรที่จะพอแล้วอย่าไปเสียเวลากับการหาเงินมาร้อยล้านพันล้านแล้วก็ต้องมากลายเป็นยา คอเฝ้าดูแลรักษาเงินทองแล้วเราจะไม่มีเวลาที่จะมาติดเบรกมาสร้างเบรกให้กับใจของเราถ้าเราหาเงินพอเตรียมปากเลี้ยงทองได้แล้วเราหยุดการหาเงินหาทองหยุดการดูแลรักษาเงินทองแล้วเราเอาเวลานี้มาติดเบรกให้กับใจจะดีกว่า การจะติดเบรกให้กับใจนี้เราต้องไปอยู่ที่สงบอยู่ที่คนอยู่ที่ไม่มีใครมารบกวนการสร้างเบรกนี้การสร้างสตินี้เราต้องไปอยู่ที่ห่างไกลจากสิ่งต่างๆห่างไกลจากบุคคลต่างๆเพราะถ้าเราอยู่ใกล้เหตุการณ์ใกล้บุคคลต่างๆเราจะไม่สามารถที่จะสร้างเบรกขึ้นมาได้ เช่นการสร้างเบรกนี้เราต้องใช้การบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปแต่ถ้าเราอยู่กับเหตุการณ์อยู่กับคนนั้นคนนี้เหตุการณ์หรือคนนั้นคนนี้ก็จะดึงให้เราไปคิดถึงเรื่องเราต่างๆแทนที่เราจะคิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธเราก็จะคิดไม่ได้แต่ถ้าเราไปอยู่คนเดียวไปอยู่วัดอยู่ที่สงบไม่มีเหตุการณ์ไม่มีหู้บุคคล เราก็จะสามารถบริการพุโทโธพุธโทโธไปได้อย่างต่อเนื่องถ้าเราสามารถบริการพุโทโธไปได้เรื่อยๆต่อไปเวลาใจของเราจะคิดไม่ดีเราก็ใช้พุโทโธหยุดได้เช่นเวลาโกรธเราก็พุโทโธพุธโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธอย่าไปคิดถึงคนที่ทำให้เราโกรธพอเราอยู่กับพุโทโธไปสักระยะนึง ความโกรธก็จะหายไปเช่นเดียวกับความโลภเวลาเราอยากจะได้อะไรที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องมีเช่นอยากจะได้เงินมากขึ้นอยากจะซื้อข้าวของมากขึ้นเราก็ใช้พุทธโธพุทธโธไปพอเราอยู่กับพุทธโธไปเราก็จะไม่สามารถที่จะไปคิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งดีเราเราก็จะไม่ต้องไปวุ่นวายกับ ก, บการไปหาเงินหาทอง หาสิ่งต่างๆมาเราก็จะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขได้ความสุขของเราอยู่ที่คำว่าพอไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องการสิ่งนั้นต้องมีสิ่งนี้ถ้าต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ต่อให้มีเท่าไหร่ก็จะไม่มีคำว่าพอเพราะเวลาเราได้อะไรมาแล้วแทนที่เราจะบอกว่าพอเรากลับบอกว่าอยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีก วันนี้ไปซื้อเสื้อมาสองตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกไปเดินห้างเห็นเสื้อผ้าก็อยากจะซื้อขึ้นมาอีกการทำตามความอยากจะไม่ได้ทำให้ใจเราพอแต่การหยุดความอยากด้วยการใช้เบรกคือสติจะทำให้เราพอได้เมื่อเราพอแล้วเราก็จะมีความสุขเพราะความสุขหรือไม่สุขนี้อยู่ที่คำว่าพอไม่พอหรือไม่พอ ถ้ายังไม่พอก็ยังไม่มีความสุข ด, ดังนั้นเราต้องมาสร้างความพอด้วยการหยุดความอยากการจะหยุดความอยากได้เราก็ต้องใช้พุทโธพุทโธไปหัดสร้างพุทโธขึ้นมาหัดท่องพุทโธไปเรื่อยๆให้มันติดเป็นนิสัยพอเวลาใดที่เราต้องการจะใช้พุทโธเราก็จะใช้ได้เวลาที่โกรธใครเราก็พุทโธพุทโธไป เดี๋ยวความโกรธก็หายไปเวลาอยากได้อะไรก็ให้พุทโธพุทโธไปเดี๋ยววความอยากได้สิ่งต่างๆก็จะหายไปแล้วเราก็จะมีความพอมีความสุขโดยที่เราไม่ต้องมีอะไรนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่เราไม่ต้องการอะไรไม่ต้องมีอะไรถ้ายังต้องการอะไรอยู่จะไม่มีความสุข เพราะว่ามันจะต้องไปหาสิ่งที่เราต้องการและพอเราได้มาแล้วความพอก็ยังไม่เกิดอยู่ดีเพราะพอได้อะไรมาแล้วก็อยากจะได้อะไรอย่างอื่นต่อไปอีกตั้งแต่เราเกิดมาเรามีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาตลอดเราเคยเจอคำว่าพอหรือยังเราได้อะไรมามากน้อยเพียงไรเรายังเรายังไม่เคยพบคำว่าพอ เพราะว่าคำว่าพอนี้ไม่ได้เกิดจากการทำตามความอยากแต่เกิดจากการหยุดความอยากด้วยการใช้สติใช้พุโทโธพุธโทโธดังนั้นขอให้พวกเราเอาเวลามาสร้างพุโทโธกันดีกว่าอย่าเอาเวลาไปหาข้าวของเงินทองต่างๆอย่างที่เราได้ทำมาเพราะเราหามามากพอแล้วหามานานพอแล้วใจของเราก็ยังไม่มีความสุขความอิ่มความพอ แต่กลับมีความทุกข์ความวุ่นวายใจความวิตกความกังวลเพราะสิ่งที่เราได้มาเราก็อยากจะให้อยู่กับเราไปนานๆแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะอยู่กับเราไปนานๆไม่ช้ากันแล้วเราก็จะต้องจากเขาไปหรือเขาก็จะต้องจากเราไปเวลาต้องจากสิ่งต่างๆไปก็เป็นเวลาเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเราไม่มีอะไร เวลาลาจากเราก็ไม่ต้องเราก็จะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจเพราะไม่มีอะไรที่เราจะต้องจากดังนั้นมาหัดอยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่ า, าการที่เราจะอยู่แบบไม่มีอะไรได้เราต้องติดเบรกให้กับใจต้องมีพุทโธพุทโธคอยบังคับใจเวลาเกิดความอยากได้อะไรก็ให้ท่องพุทโธพุทโธไปจนกว่าความอยากนั่นจะหายไปพอหายไปแล้วเราก็ มีความสุขได้โดยที่ไม่มีอะไรนี่คือวิธีมาทำความดีมาสร้างความสุขให้กับใจของเราตาไปตามกำลังของเราถ้าเรามีทรัพย์เราก็ให้ทรัพย์ไปถ้าเรามีวิชาความรู้เราก็ให้วิชาความรู้ไปถ้าเราไม่มีอะไรจะให้เราก็มาติดเบรกให้กับใจของเราหยุดความอยากต่างๆแล้วเราก็จะได้ความสุข แล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์ใจตายไปเราก็จะไปสวรรค์ชั้นต่างๆจนไปถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาวันมาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติขอให้พวกเราพยานทำตามคาสอนให้มากๆ อย่าไปทำเรื่องอย่างอื่นเพราะมันไม่มีคุณมีประโยชน์ไม่ได้สร้างความสุขที่แท้จริงให้แก่ใยของเราการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนใจและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนาสุขะภาละโดยทั่วหน้ากันเทอ